เปลี่ยนความหลงเป็นควงมรู้หัวหน้าโจกปัญโุที่นี่ตัวสมวไทยตัวสังขารคือตัวหลงถ้าจะทำที่เหตุตรงนี้มันก็มีผลเกิดขึ้นถ้ามีหลงมันก็เป็นไปทางหนึ่งถ้ามีรู้ก็เป็นไปทางหนึ่งทางหลงไปสู่อบายทางรู้ไปสู่มกขุนิพพานแยกกันตรงนี้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 ตายสวัสด์เป็นผู้ชายแล้วมีน้องสาวตัวเล็กๆรับนะจ้างเลี้ยงกว่วยให้จาบ้านเขาบ่ได้อยู่ได้กินกะมาเล่นกับพระพุทธเจา้พจาพระเจ้าก็มองเหมือนกับลกูกรอหุนมันรุ่นเล่าเขาเดียวกันประมาณหกเจ็ดปีเนี่ยพระเจ้าออกบวดลหลอนประโสดได้เจ็ดวัน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 ไอ้บักมองชีวิตของสัตว์โลกเหมือนบัวสีโหลบัวโหลที่หนึ่งพนน้ำแล้วรอแสงอาทิตย์น้อยเดียวก็จะบานทันทีคนในโลกเมตตงนี้ว่าอุคติตนอยู่พับตันเดบรรลุธรรมได้ง่ายเหมือ น, นบัวคนน้ำาอได้รับแสงอาทิตย์ก็ บ, บานอก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 ไปบินทะบะตเอามือเดินไปบ้านเขาเอาใส่อาหารหะไรใส่มือเอาไปกินแปลว่าพระอรหันต์เขาเขาใช่ไหนั้นสิทัตถะพระเจ้ากินข้าวนางสุจลาถาด ท, ท้องอย่างดีคนชำนาญเขาเอาใส่มือกินเห็นที่แรกไม่ต่อหน้าชวนกันนี่ปหนีสำนักมากๆมาแล้วสิทธัตถะมาแล้ว โดยมานอไปไปเก็บเข้าจุดหนีไปออกจากที่แดงไปพบที่แดงเป็นสถูกเห็นหล่าถ่านไปนุ่นบนันทึกัญีเข้าอีสิบปะนละเลยป ร, ลรเ ป, นะประมาณสองกิโลสองกมจากพบกแยกเดินไปที่นประมาณสองกมพระเจ้าจัางไม่ทอดถอยพยายามตามไปดู พอตามไปล้วปันชกีกันนั่งคุยกันในะป่าอิสิปตนะมามลึกคายวันทำไมจึงเรียกอิสิปตนะมมลึกคายวันเป็นที่ปุดป่วยของสัตว์โลกคนเมืองพราณศีคนมาจากไหนไปอยู่ป่านั้นนักปวดหรือชีคีไผ่อะไรต่างๆสัตว์สาลาจริงอยู่ที่นั่นไม่มีการทำลายกัน เป็นที่ปุดป่อยของสัตว์โลกพวกตือสีคี่ไปก็ไปอาศัยกันแล้วเข้ามาบินถ บ, บาทในจัลนาตอรล า, าสีขอเข้าจินมีก่อนพระพุทธเจ้าจตัสโรตามไปอยู่ที่นั่นตอนชีนั่งคุยกันอยู่อ้ามาอีกแล้วสำนักมากๆสิทธธะมาอีกแล้ว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 อ่านเอาในพระสูตรมีอยู่ในหนังสือธรรมะต่างอะไรทุกคนได้อ่านมาแล้วไปสวดมาแล้วต่อไปอนัดตาละฆาตสูตรเราถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำจะไหนกันทำที่จูดแ่งกองทุกข์ทั้งเส้นนี้จะปรากฏชัดเจเรารูปไปเที่ยงไว่ธนาไม่เที่ยง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 สิงทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอนุญาคนรอนุญาฟังไปฟัว่าจิตตามไปจิตตามไปตื่นขึ้นมาตอบเราผู้เจ้าเข้าใจอออืในความยิ้มแย้มขึ้นมาจากกุฏิทปปะทีก็ตั้งอุฏทปปิปัญญาอุฏทัปปะี โลคะโลโอุปิแสงสว่างเกิดแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วก่อนเราจะฟังไปฟังตอบรับอนญาสีวัฏโภคนทโยอ น, า, อนยาสีวัฏโภคนทะโยรู้เรวหรรู้เรวแต่ก่อนชื่อโกนทัญารู้แล้วอญญ า, า, าสิอนญาสิวัฏโคนอนญารู้แล้วหรอ รู้แล้วพระเจ้าข่าห่านหน้าใจก็รู้ส่วนวัาประปัญญายังเล่นอยู่ไม่สนใจเหมือนบัวเดิ đầu ที่สองที่สามไปต่อครทังยาปรบรรุธรรนเลยเอาละได้ชื่อว่าสัมมาสมพุทธโธต่อไปก็สอนวัาประปัญญมหางมาตามดับไป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 ก่อสัญญาไปทางนั่งวับปะ ป, ะ, ปะตจายังอาตชิไปทา ง, หงมหานมามาอัจไปทางนั่งเราจะไปอุรุเวราเจนาณิคมได้สัญญากับพระเจ้าผิวิาสารไว้ตั้งแต่ อ, อกบวตจะไปเมืองรอดจากคือแกล้ๆกับพุทธขยาพอไปราคือไปต่อพุทธขยาไปหาเดชานสวัสด์กลับไปทางเขาใช่ไหมตามพุทธประวัติ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 มีความโกรธหลายความโกรธแน่นอนเหรอจะว่าเฉลยเราคือคนธรรมาจะบกยกนิว้วกันเห็นไหมเขาทรุปอยู่ในสาราน า, นาปางปฐมเทศนายกนิว้วแต่ว่ามันแม่นยำลนะยกนิว้วนันคนกินมาสุโกโตตอนที่ลงตากลับจากบังกินเขาตามมา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 พระพุทธเจ้าตัดูยอย่างโดยชอบแล้วสอนคนเถดในรูตามพระธรรมคือคำสั่งสอนพระเจ้าปฏิบัติรูยิ่งเห่งจริงปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติยอมรู้ได้พระสงฆ์คือหมู่ชนผู้เชื่อฟังคำสอนรามทำไว้ไหนปฏิบัติตามพระตามคำสอนแล้ว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 ที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อสองสารคนสงสารคนไม่พอสองสารป่าสงสารสัตว์ยิงแก๊งยิงควงตายวันลจีตัวไม่รู้ที่ไหนแล้วก็อยู่เนี่ยเห็นกับตาโอ้ยทำไมละ่ะเห็นเด็กไปตายในป่าเห็นไข้ามาลาเรียอุ้มให้รองให้กันมาตายเป็นไข้มเรียใช่ไหม เฮ้ยไปช่วยคนตายบ้านเหลยาวลูกสาวสองคนเอาคนนี้ไปเฝอแล้วกลัมาเอาคนนี้กลับเน้อหลตายจะหนีไปไหนล่ะไม่มีใครอยู่เดินไปสวดมัตติกาแข่งพลไปเดินกลับมา <c oughs> คนเดียวโน่นเขาตายอยู่บ้านสมบกตดนเดินไปบ้านหลังแท้เนี่ยให้หลังตายไปทำบุตอนเช้าทำไมา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 หเออ่ะ อ, อ <laughs> ืมาเเขาก็เปิดประตูออกมาทั้งขวทั้งเมียอุ้มลูกลูกน้อยมันออกมาน้ำตาตาเป็นยังไงล่ะเมียผลคอดโูกอยู่ผาพึ่งมันไม่มีที่อยู่มันเตียรเด็กมันออกใหม่ๆก็เลยอุ้มมาเนี่ยแข่งผลมามาขอนอนนี่สักคินหนึ่ง ม้าจงไหนพวกผมเป็นทหารป่ามีนะจำไก่อนน <Yeah. S 1> พะพวกผมเป็นทหารป่า <Yeah. S 1> พวกผมเกิดลักกันเลยเสียกันเลยตั้งท้องกันมาหมู่เขาไม่อยู่พวกเขาไม่อยู่ให้ออกไปให้กลับบ้านยังไม่เีโอวกาสกลับบ้านผมขอนอนนี่จะเกินสองเกินก่อนก็เลย อ, อยู่ชิเงียนะ